รู้ทางทำลายหลุมดำติดนิสัยพูดถึงเรื่องไม่เป็นเรื่องของคนอื่นจะดึงดูดเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเข้าตัวทุกสิ่งมีความเกี่ยวข้องบางเรื่องเปิดเผยสัมพันธ์กันแบบคาดหมายได้เช่นให้อาหารแมวหมาแมวย่อมรักและเข้ามาหาแต่บางเรื่องก็ลึกลับและดูเหมือนไม่น่าจะสัมพันธ์กันเช่น พูดเรื่องไม่เป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นประจำจะเป็นเหตุให้มีเรื่องไม่เป็นเรื่องมาถึงตัวอยู่เรื่อยๆถ้าสังเกตที่ใจก็จะรู้สึกถึงหลุมขาวหรือหลุมดำอันเกิดจากการสะสมวิธีคิดวิธีพูดและวิธีทำหนึ่งๆเสมอเช่นหากสนุกกับการเอาเรื่องคนน้้นคนนี้มานินทาหรือหนักกว่านั้นคือเอามาสันนิษฐานเล่น โดยไม่ต้องรู้ข้อเท็จจริงไม่ต้องเกี่ยวกับหน้าที่การงานและไม่ต้องใส่ใจว่าใครจะเสียหายแค่ไหนคุยไปคุยมาใจจะซัดสายยิ่งซัดสายมากยิ่งรู้สึกอึดอัดเหมือนมีก้อนดำๆมาจุกในหัวในอกแรกๆหลุมดำจะถูกบดบังไว้ด้วยอารมณ์สนุก เพราะความเมามันในการได้พูดเรื่องเสียหายของคนอื่นช่วยให้รู้สึกดีที่ได้ลืมเรื่องเสียหายของตัวเองหรือเหมือนตัวเองไม่ได้เคยมีเรื่องเสียหายอย่างนั้นเลยจึงทำให้ไม่เฉลียวใจสังเกตว่าหลุมดำก่อตัวขึ้นในตนใหญ่โตแค่ไหนแล้วหน้าที่ของหลุมดำในระยะแรก คือดึงดูดใจให้อยากกลับมาพูดเรื่องไม่มีประโยชน์ซ้ำซากเจอหน้าคู่หูคู่เมาส์เจ้าประจําเมื่อใดก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าชวนกันขุดเรื่องเดิมๆมาเพิ่มข้อมูลงัดของเน่ามาเพิ่มความเน่าจนกว่าจะเจอประเด็นฮอตใหม่ๆมาแทนที่จึงค่อยเบี่ยงเบนทิศทางกัน หลุมดำที่ดึงดูดให้อยากฟื้นฝอยหาตะเข็บเรื่องของคนอื่นเมื่อเข้มคนขึ้นเรื่อยๆจะค่อยๆแปรเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งคือเหมือนทั้งตัวคุณเป็นหลุมดำเคลื่อนที่เดินไปไหนก็เหมือนแม่เหล็กดึงดูดเรื่องจุกจิกกวนใจเข้าหาตัวทำความรำคาญใจให้ทั้งที่ไม่เป็นเรื่องไม่มีอะไรเป็นสาระแท้ หรืออย่างน้อยที่สุดขนาดข้างนอกไม่มีอะไรในกอไัยเลยข้างในก็ระแวงว่าทําอะไรไปแล้วจะมีใครนินทาด่าส่งลับหลังไหมเหมือนตัวเองไม่ปลอดภัยจากเสียงนกเสียงกาตลอดสกเพื่อจะสร้างหลุมดำคุณแค่ไหลาตามสังคมรอบตัวไปก็พอแต่เพื่อจะสร้างหลุมขาวคุณจำเป็นต้องทวนกระแสสังคม ฝึกตั้งใจกั้นขอบเขตการพูดด้วยการคิดว่าจะพูดจ้อแจเอาสนุกไม่เป็นไรจะพูดถึงใครให้พอเป็นที่รู้เพื่อจับตาระวังบ้างก็ไม่เป็นไรจะพูดถึงใครเพื่อเอาข้อมูลมาเป็นประโยชน์กับงานบ้างก็ดีแต่อย่าถึงขั้นไม่ต้องเฉลียวใจหาแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ฟังใครเขาว่ามาอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วหูเบาเอาไปพูดต่อทันทีหรือกระทั่งเห็นเป็นเรื่องสนุกกับการร่วมขบวนการมโนเองไปกับเขาการนินทาว่าร้ายจะไม่หายไปจากโลกใบนี้เมื่อรู้ตัวว่าโดนใครนินทาว่าร้ายให้มองว่าเขากําลังสร้างประตูทางเข้าของเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ต้องเข็นมาก คุณก็จะนึกภาพออกเห็นหลุมดําที่เขาสร้างขึ้นเองด้วยใจและทวีตัวเข้มข้นขึ้นด้วยปากของเขาเองเพื่อจะสร้างหลุมขาวให้ตัวเองคุณต้องหลุดออกมาจากหลุมดําที่คนอื่นสร้างให้ได้ก่อนเมื่อมีโอกาสนั่งอยู่กลางชมรมนินทาหรือในห้องที่มีหลุมดําก่อตัวถมเอินขึ้นทุกที ให้สารวจใจตนเองหากพบว่ามีสติในการรับข้อมูลไม่หูเบามองรอบทั้งที่มาที่ไปของเรื่องดีและเรื่องร้ายพร้อมจะให้คะแนนเป็นบวกแม้กับฝ่ายที่ขัดผลประโยชน์กับคุณและหนักแน่นพอจะให้คะแนนเป็นลบแม้กับคนที่อยู่ข้างเดียวกับคุณอย่างนี้เท่ากับเป็นบอกเกิดของหลุมขาวแล้ว เมื่อหลุมขาวเริ่มก่อตัวขึ้นจะพบว่าเกิดแรงดึงดูดเอาคำพูดดีๆมาเข้าหัวคุณประทั่งสามารถเปล่งท้อยคำที่ช่วยสลายอำนาจดึงดูดของหลุมดำในใจคนอื่นได้ในเวลาต่อมาด้วยเช่นเมื่อมีคำร้อนๆว่าไอ้นี่มันโง่ยังไม่น่าอาภัยหลุดจากปากใครคุณอาจต้องมีคำเย็นๆตอบกลับไปว่า อย่างนั้นก็อย่าภัยมาหาทางช่วยให้เขาเปลี่ยนความคิดแย่ๆเป็นความคิดดีๆกันหลุมขาวที่คุณสร้างขึ้นจะค่อยๆส่งพลังมากขึ้นดึงดูดคำดีๆมาเข้าหัวคุณมากขึ้นซึ่งนั่นอาจหมายถึงการหักเหชีวิตทั้งชีวิตเข้าสู่หลุมขาวทุกวันมีแต่คนดีๆเรื่องดีๆ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 ก็แปลว่าต้องเคยอยู่ในกลุ่มจิตวิญญาณที่อ่อนน้อมบนเส้นทางกรรมในการให้ความเคารพมาก่อนอย่างไรก็ตามการไหว้เป็นสิ่งที่ฝืนทิฏฐิมานะเมื่อต้องไหว้ก่อนทั้งที่ไม่นับถือกันคุณจะรู้สึกถึงความไม่อยากเปลืองมือหรือกระทั่งจิตแข็งกระด้างด้วยโทสะแม้กระทั่งไหว้พระปฏิมา อันเป็นสื่อสัญลักษณ์ของบุคคลผู้น่าเคารพสูงสุดเป็นเครื่องฝึกใจให้เข้าสู่วิถีความนอบน้อมสุดใจลงทุนน้อยได้กำไรทางใจมากแต่ก็ไม่ค่อยอยากจะฝึกกันบางคนไม่เข้าใจถึงกับมองเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่ากับการทําท่ากราบไหว้สิ่งไร้ชีวิตไม่เห็นเข้ามาข้างในว่าพระปฏิมา เป็นชนวนให้จิตประวัติถึงพระคุณแห่งพระพุทธะเมื่อไหว้ผู้รู้ย่อมมีส่วนแห่งความเป็นผู้รู้แม้จะนบไหว้เพียงสัญลักษณ์ของผู้รู้ใจก็เต็มด้วยอาการนบไหว้ผู้รู้เข้าถึงอาการรู้อยู่เต็มอกว่าสว่างแจ้งผู้ไหว้พระปฏิมาโดยสักแต่ใช้ตามองว่า เป็นหุ่นปั้นร้ายชีวิตมาเกิดความรู้สึกรีบร้อนอยากไหวให้จบๆไหวลกุกลวกไหวเกร็งเกรงไหวฝืนฝืนแบบขอไปทีนั่นเองจึงกลายเป็นเหตุใหญ่ให้ใจไม่สงบไม่อ่อนโยนหรือกระทั่งกล้าวกระด้างใจร้อนฟุ้งซ่านง่ายด้วยความฉลาดรู้ภาวะของจิต คุณย่อมเห็นว่าการไหว้พระจัดเป็นของใหญ่คือไม่ใช่เรื่องเล็กไหว้ด้วยอาการทางใจอย่างไรการปรุงแต่งที่เกิดกับจิตก็อย่างนั้นเมื่อคลอมศีรษะด้วยจิตอันงามมงคลอันงามย่อมปรากฏอยู่เหนือศีรษะฐานความคิดอันเป็นกุศลย่อมปรากฏอยู่ในศีรษะ แต่เมื่อก้มกราบลุกๆ ก, กับสิ่งที่เป็นมหามงคลอัปปโมงคลย่อมปรากฏครอบศีรษะฐานความคิดอันเป็นอกุศลย่อมปรากฏอยู่ในศีรษะมงคลอันสว่างกับอับปปโมงคลอันมืดเป็นสิ่งรู้สึกได้เฉพาะตนด้วยจิตที่ฉลาดแต่หากจิตไม่ฉลาดเข้าวพวกกันกับอับปปโมงคลอยู่ก็นึกว่าไม่เป็นไร ไม่เห็นมีอะไรมากไปกว่าอาการทางกายงั้นเงัน